เมื่อเช้าได้กล่าวถึงวัชีอปริหานิยธรรมก็คือธรรมที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของเจ้าวัชีทั้งหลายนี่มาขึ้นภิกขุอปริหานิยธรรมคือธรรมะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมสําหรับพิสุทั้งหลายหมายความว่าถ้าพระพิสุทั้งหลายท่านปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัดท่านไม่เสื่อมจากพระาศาสนาแน่และที่สําคัญพระาศาสนาก็ไม่เสื่อมไปจากโลกด้วย ในมหาปรินิพพานาสูตรข้อเจสบหน้า239ครั้งนั้นแลเมื่อวัสการพรามมหาอมารหของแควนมคตกลับไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านท่านนลว่าดูก่อนอนลเธอจงไปพิกูุทั้งหลายมีจำนวนเท่าใดที่อาศัยอยู่ในกรงราชครึก เธอจงให้ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดประชุมกันในอุปัทานศาลาศาลาเป็นที่บำรุงเป็นที่อุปถาหรือศาลาเป็นที่ฟังธรรมนะให้มาประชุมกันทั้งหมดเลยพระภิกษุทั้งเมืองราชครึกท่านท่านนก็กราบทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าอย่างนั้นพระเจ้าข่าแล้วให้พระภิกษุตามจำ nu พระภิกษุทั้งหมดเนี่ยนะตามที่อาศัยอยู่ในกรงราชครึกทั้งหมดมาประชุมกัน ในอุปทานศาลาแล้วพระนรนก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณณด้านหนึ่งท่านท่านนผู้ยืนอยู่แล้วณด้านหนึ่งแลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภิกษุสอ์ประชุมกันแล้วบัดนี้เป็นเวลาที่ทรงเห็นเป็นกาลอันสมควรก็คือถือว่าได้เวลาอันสมควรแล้ว ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุกจากอาสนะเสด็จดำเนินเข้าอุปัฏฐานศาลาประทับนั่งบนอาสนะที่ป่วยแล้วครั้นประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกกับพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ประการแก่เธอทั้งหลายอปริหานิยธรรมก็คือธรรมที่ไม่กระทําเหตุแห่งความเจริญให้เสื่อม หมายคาะว่าปฏิบัติตามนี้เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้เสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะแสดงให้แก่เธอทั้งหลายฟังอย่างชัดเจนแจ่มใสเปรียบเหมือนอะไรบอกว่าเราจะกล่าวให้แจ่มชัดเหมือนยกพระจันทร์ขึ้นพันดวงพระจันทร์ดวงเดียวอาจจะสลัวสลวใช่ไหมอันนี้เอามาเลยพันดวงว่างั้นเราจะแสดงให้ชัดเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพันดวง ประหนึ่งตามประทีปน้ามันพันดวงที่มุมเรือนนะถ้าที่สี่มุมเรือนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพระพิสุถ้าท่านปฏิบัติตามนี้ท่านจะไม่เสื่อมถ้ามองจากสายตาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมองเห็นเลยว่าถ้าพระพิสุทั้งหลายท่านไม่มีการปฏิบัติตามนี้ไม่ดํารงอยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านี้พระพุทธศาสนาอย่างไรก็เสื่อมแน่นอนเพราะว่าพระพิสุนั้นถือว่ามีความสําคัญที่จะ จเจริญหรือจะเสื่อมของพระศาสนาสูงมากเนี่ยนะเพราะว่าพระธรรมนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน อ, อย่างยิ่งสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลมาที่ไม่ได้มีการจดบันทึกลงในหนังสือในใบลานในคำพีเนี่ยนะคำสอนเหล่านี้ทั้งหมดก็อยู่ที่ที่ความทรงจำของท่านเหล่านั้นถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยนะปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเสื่อมก็แปลว่าศาสนาเสื่อมด้วยเพราะว่า พระศาสนาจะดำรงอยู่หรือจะเสื่อมเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าพระพิสูจนนั้นไม่ใช่ปัจจัยสําคัญนะนะพันธะหากว่าพระพิสูจน์ทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อความเสื่อมศาสนาก็เสื่อมแต่ทีนี้ถ้าปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมศาสนาก็ไม่เสื่อมทีนี้ในบรรดาจํานวนเจดข้อเราอ่านไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยว่าทําไมพระพุทธศาสนา ในยุคหลังจึงเสื่อมเพราะไม่ปฏิบัติไปตามอปริหานิยธรรมทำที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมซึ่งพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการแก่พิสูจนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงทําไว้ในใจให้ดีเราสถาคดจะกล่าวพิสูจนเหล่านั้นก็กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพร้อมแล้วพระเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพระดำรัส ด, ดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายจาับยังจักประชุมกันเนืองๆจักประชุมกันอยู่มากตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ะต้องหมั่นประชุมกันบ่อยๆนะแต่อย่าลืมว่าประชุมกันเนี่ยพออกวกบวกลิศของภิกษุผู้ประชุมกันคือการสนทนาธรรมเป็นต้น ถ้าไม่มีการประชมุมไม่ประชุมกันบ่อยๆต่างคนก็ต่างไปเรื่อยใช่ไหมเมื่อต่างคนต่างไปเนี่ยก็ไม่รู้จะไปยังไงก็ไม่ทราบใครไปผิดไปพลาดอะไรอย่างไรเนี่ยนะไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยก็ยากเพราะนนั้นเหตุที่จะทําให้ไม่เสื่อมก็คือจักประชุมกันเนืองๆ อ, อธิบายในหน้าสามร้อยสี่สิบแปดบอกว่าอภินหาสันนิปาตาเนี่ยนะ อันหนึ่งเพราะเหตุที่ภิกษุถ้าหากว่าไม่ประชุมกันภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็จะไม่ได้ยินข่าวที่มาจากทิศ ต, ต่างๆนั้นเช่นว่าสีมาของวัดโน้นวุ่นวายแต่จะไม่รู้เลยนะว่าวัดไหนเนี่ยมีความวุ่นวายขนาดไหนอุโบสถและประวรณาก็งดไปแล้วภิกษุทั้งหลายนะที่โน้นกระทำอเนสนากรรมมีเวชกรรมและทูตกรรมเป็นต้น ก็ซึ่งทุกวันเนี่ยปัดไอ้สิ่งที่ที่ท่านบอกว่าอันนี้ศาสนาเสื่อมแล้วนะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่กลัดเกลื่อนคือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรพระพิสูจไม่มีการเกื้อกูลกันไม่มีการช่วยเหลือกันว่าอะไรผิดอะไรถูกเป็นต้นนะ่ยนะน้อยมากเพราะฉะนั้นพระพิสูจเหล่านั้นก็ในวัดทั้งวัดก็วุ่นวายอุโบสถทุกสิบห้าข้าก็ไม่มีการลงไม่มีการสวดปวารณาก็งดไม่มีการปรวารณา กระทำอเนสนากรรมทำตัวเป็นหมอทำตัวเป็นทูตเป็นต้น น, นะแล้วก็เรียรย่ยไรวิญญาตก็คือเรียรย่ยไรขออยู่นั่นแหละไม่รู้จักกิจเป็นต้นว่าอะไรเป็นกิจของตนเลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนากรรม น, นะเช่นให้ดอกไม้เข้าเป็นต้นก็ใช้เรียกว่าเอาลาบต่อลาบใช้ประพฤติข้อปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมผิดอเนสนเป็นอเนสนากรรมไม่ดำรงอยู่ในสัมมาอาชีพนั่นเอง แม้ภิกษุชั่วทั้งหลายรู้ว่าสงเนี่ยเผลอสงไม่สนใจก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำพระศาสนาให้เสื่อมถอยอันนี้เหตุเบื้องต้นเลยก็เนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้ประชุมกันแต่เพราะภิกษุประชุมกันเนืองๆถ้าหากว่าเกิดท่านมีมีการประชุมกันบ้างอ่ะนะภิกษุทั้งหลายย่อมได้ยินเรื่องนั้นๆจากนั้นก็จะส่งภิกษุสงไปกระทําสีมาให้ตรง ไอ้นี้ชักไปไม่รอดแล้วนะนี้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นพิกษุที่เป็นพระวินัยทรก็จะไปทําสีมาให้ตรงทำอุโบสถปรวรณาเป็นต้นส่งพิสูุผู้นับเนื่องหรือผู้ที่ปฏิบัติในอริยะวงไปในที่นั้นๆคือส่งพระพิสูจนปฏิบัติดีเนี่ยนะแค่เรียกว่าส่งน้ําดีไปล้างน้ําเสียนะก็เหล่าพิสูจมิจฉาชีพนานเน่นก็คือส่งไปพวกพิสูจนเหล่านั้นก็จะจากไปอนะให้ท่านเหล่านั้นกล่าวอริยะวงข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยะให้เหล่าพระวินัยทรไปทำนิกหหะคือการข่มพิสุชั่วทั้งหลายแม้พิสุขชั่วทั้งหลายรู้ว่าพระสงฆ์ไม่เผลอท่านเหล่านั้นก็ไม่อาจจะรวบรวมเป็นหมู่เป็นกลุ่มกันได้ก็จะแตกหนีไปไม่งั้นก็มีแต่กลุ่มกล่าวว่ากลุ่มพระพิสุที่ทุศีลทั้งหลายก็รวมตัวกันถ้าคนทุศีลรวมตัวกันเท่าไหร่ก็ ก็เหมือนว่าโจรรวมตัวกันได้เท่าไหร่ก็บ้านเมืองก็ล่มสลายเร็วถันใดพระศาสนาถ้าหากว่าพระพิสุทั้งหายที่ไม่มีศีลไม่มีกรรยานธรรมไม่มีวินยัยไม่มีธรรมวินยัยรวมตัวกันมากได้เท่าใดพระศาสนาก็ล่มสลายเร็วไปเท่านั้นอันนี้ข้อแรกก่อนอสาเหตุหลักๆของการที่พระพิสุไม่ประพฤติตามธรรมตา ม, ตามวินัยก็คือเนื่องจากว่า พระภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมไม่มีการประชุมร่วมกันเมื่อไม่มีการประชุมร่วมกันเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะก็ไม่สามารถชำระสะสางดูแลความเรียบร้อยอะไรได้เลยข้อต่อไปดู่อนภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายจักอย่างพร้อมเพียงกันประชุมจักพร้อมเพียงกันเลิกประชุมจักพร้อมเพียงกันทากิจที่สงพึงทาตลอดการเพียงไร ีิสูนทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ไดอนน้อธิบายว่าสมคาานะนะหรือสามาธินะก็บอกว่าเมื่อเขาตีกลองหรือข้อระคังประกาศว่าสงจงประชุมกันเพราะว่าพระสงฆ์จะแจ้งวัดตกติกาเพราะสง์จะให้โอวาดานะว่าเออเนี่ยได้เวลาทำกติกาวัดกันแล้วนะแบบ น, นี้จะได้ฟังอวาดจากพระเถระ บัดนี้ได้เวลาปฏิบัติพระเจดีปฏิบัติลานโพหรือโรงช่วยกันมุงโรงอุโบสถ ด, ดูแลซ่อมแซมพระวิหารเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าไม่สามัคคีกันก็จะหลีกเลี่ยงว่าผมเนี่ยมีกิจผมต้องทำจีโวเนี่ยนะอ้างผมต้องสมบัติผมต้องก่อสร้างเพราะฉะนั้นผมไม่พร้อมเพียงผมไม่พร้อมนะถ้ต่างคนก็ต่างไปเพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างไปเนี่ยนะน่าสงสารที่สุดใครวจะเอาวาดัด คนที่เป็นเจ้ า, จา พ, ระะพระผู้ใหญ่ที่ดูแลตรงนั้นเนี่ยนะเมื่อพระภิกษุทำอะไรตามใจตัวเองไปหมดไม่ถือทำถือวินัยเนี่ยโอ้เจ้าวาดนี่ก็นี่มนหลีกเล่นได้แล้วว่างั้นส่วนภิกษุทั้งหลายเว้นกิจการนั้นทั้งหมดประชุมเป่าร้องครั้งเดียวเท่านั้นท่านเหล่านั้นก็จะสนใจว่าผมไปก่อนผมก็จะไป เดไปร่วมกันไปประชุมกันนะมีกิจอะไรที่จะช่วยเหลือกันได้บ้างเป็นต้นอันนี้เรียกว่าพร้อมเพียงกันหรือบางทีก็คิดปรึกษาหารือกันในกิจที่ควรทําไม่เลิกพร้อมกันอันนี้เรียกว่าไม่เลิกพร้อมกันแต่ถ้าเลิกพร้อมกันก็บอกว่าหมายความว่าฟังจนได้ข้อสรุปก่อนแล้วค่อยแยกย้ายกันไปนะว่าข้อสรุปทั้งหมดของประเด็นคืออะไรเรียกว่าพร้อมเพียงกันเลิก ทีนี้ถ้าว่าพร้อมเพียงกันเลิกก็อีกในหนึ่งเขาบอกว่าศีมาในวิหารชื่อโน้นวุ่นวายอุโบสถปวรณาก็งดพภิกษุชั่วกระทําอเนสนากรรมมีเวชกรรมเป็นหมอยาเป็นต้นเนี่ยในที่ชื่อโน้นเนี่ยมีหนาแน่นภิกษุเหล่านั้นก็จะกล่าวว่าใครจะไปทําการนิกขหาคือไปข่มภิกษุเหล่านั้นพระภิกษุที่ประพฤติดีทั้งหลายก็บอกผมก่อนผมก่อนก็จะพร้อมเพียงกันเลิกเรียกว่าไปพร้อมเพียงกันจัด ก, การ นะนะให้ข้อปฏิบัติของพระภิกษุทั้งหลายเป็นไปตามธรรมวินัยทีนี้อีกในหนึ่งเขาบอกว่าภิกษุทั้งหลายที่ไม่พร้อมเพียงการทำกิจของสงฆ์ก็ยกตัวอย่างเช่นว่าพบภิกษุอคันตุ ก, กะก็ไม่พูดอะไรสักอย่างเห็นพระภิกษุอคันตุ ก, กะรู้แล้วว่าพระต่างถิ่นมามาเพื่อจะถ้าพระภิกษุต่างถิ่นมาก็ต้องหาที่พักอะไรเป็นต้น ไม่สนใจอะไรไม่บอกไม่พูดว่าจงไปบริเวณนี้จงไปบริเวณนั้นแล้วก็ไม่มีการกระทำวัดอะไรสักอย่างไม่มีการวัดลุกรับเชื้อเชิญอะไรไม่ทำเลยเนี่ยนะเออท่านมาเพรเรื่องของท่านไม่เห็นเกี่ยวกับผมเนี่ยนะผมก็ไปตามทางของผมผมก็อยู่ของผมกผมไม่ว่างว่าง น, นั่นจะไปไหนก็ไปแต่ถ้าอย่างนี้ก็อนาคตศาสนาย่าแย่แน่หรือบางทีพบภิกษุผู้มีบาศมีจีวรเก่า นนะก็ไม่ช่วยกันสแสวงหาก็คือไม่มีการเอือ้อเฟื้อไม่มีการส่งเคราะห์กันเลยแต่ถ้าหากว่าพ่อ พ, พระภิกษุอคันตุกะทั้งหลายก็มีการต้อนรับ น, นะมีการประพฤติวัดปฏิสันถานธ์ภิกษุผู้มีบาตเก่าจีวอนเก่าก็ช่วยสแสวงหาด้วยพิกขาจารีวัตรเพื่อภิกษุนั้นหรือท่านไม่สบายก็ช่วยสแสวงหาย า, ยาแก่ภิกษุใข่นันนะแล้วก็ ถ้าหากว่ามีพระพิสุขให้ที่ไม่มีที่พึ่งกระบอกมาจะช่วยอนะก็ช่วยดูแลการช่วยปฏิบัติ บ, ตบริเวณหรือมีคัมภีใดคัมภีหนึ่งที่พอที่จะมีผู้ศึกษาเล่าเรียนได้ก็ช่วยการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคําสอนอันนี้เรียกว่าพร้อมเพียงกันกระทํากิจที่พึงกระทำํำถ้าหากว่าพระพิสุท์ทั้งหลายท่านมีการปฏิบัติอย่างนั้นพระศาสนาก็ยั่งยืนส่วนข้อต่อไปข้อสาข้อสาบอกว่าดูก่อนพิสุททั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจักยังไม่บัญญัติสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้แล้วจักสมาทานประพฤติอยู่ในศิกขาบททั้งหลายตามที่ตถาคตบัญญัติไว้แล้วตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ข้อนี้สำคัญก็คือไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ ไม่เพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วสมาทานปฏิบัติตามคําสอนอย่างเดียวถ้าอย่างนี้ศาสนาเจริญเหมือนกันอธิบายว่าไม่บัญญัติสิกขาบทที่พระองค์ไม่ได้บัญญตัติคือพิสูจนทั้งหลายเนี่ยแต่งวัดกติกาหรือสิกขาบทที่ไม่ชอบทําขึ้นใหม่หมายคาะว่าแต่งวัดกติกาอะไรที่ไม่เป็นไปตามธรรมวินยัยบัญญัติศีลข้อใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะแยะ พวกนี้เรียกว่าบัญญัติข้อที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติเหมือนภิกษุเมืองสาวัตถีเรื่องหล่อสันทัดเป็นต้นพั้นพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้แนะนําไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรเนี่ยนะท่านก็ไปทําแบบพละการทําขึ้นเองอะไรขึ้นเองเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าบัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติและภิกษุที่แสดงคําสอนนอกธรรมนอกวินัยก็เรียกว่าถอดถอนข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้ว ก็คือสั่งสอนไม่ได้สั่งสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลสอนรูอสอนคําสอนของตัวเองออกมาบัญญัติรัฐที่ขึ้นมาใหม่ๆบัญญัติทิฏฐิขึ้นมาใหม่ๆบัญญัตทิทฤษฎีขึ้นมาใหม่ๆแนะนําทางเลือกเส้นทางใหม่ๆอันนี้เรียกว่าถอดถอนข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเช่นภิกษุวัดชีบุตรชาวเมืองไพยสาลีเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานในร้อยปีเขาบัญญัติหัวข้อใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะ สิบหัวข้อหลักเป็นเหตุให้เกิดสังคายานาครั้งที่ที่สองนะสังขยนาครั้งที่สองตอนาศาสนาหนึ่งร้อยปีเนี่ยนะ